เมื่อกลงวันฟังเด็กอายุสิบขวบมันตอบวันนี่นะเนี่ยตอบไม่ขอดเลยอเด็กอายุสิบขวบเนี่ยอยู่ดอนว้าเก่งขนาดนั้นเลยเราเนี่ยตอบได้หรือเปล่าคุณโน้นนะตอบได้ไหมคุณไพเร็นวันนี้มันอะไรแล้วก็องค์ประกอบด้วยนะองค์ประกอบก็ไม่อยากตาตามนิดนัยนะครับ พ็ผเด็กเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาหารหันต์ท่านมาโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยหนึ่งพันรูปหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแบนั้นท่านเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสมปทาเป็นมาฆาเริอกอ่างนั้นว่าไม่ก็ว่าสักคล่องเลยยังไปท่องมา เขาเขาจะเลิกหรื อ, อยังไม่ทราบถ้าเขาเลิกแล้วก็น่าจะไปบูตไปไปเวียนเทียนนะเที<ม>่ยว่าดเจดีหลวงแต่ถ้าเขายังไม่เลิกก็ก็ไม่ไปช้าทักสักสองทุ่มกว่ า, วาเขาเลิกหน้าไปไปไปไปเวียนเทียนอีกครั้งอ น, นะไปไปเดินเจริญพุท ธ, ธานุสติ ไม่ไอคำว่าเขาเลิกนม่หมายถึงว่าประชาชนมันลดลงก่อนไปคนเยอะๆไม่เอาอยู่แล้วเกยังแอบไปหาที่ซุกๆุกราับอยู่แล้วเห็นคนเยอะแล้วไข้มันจะขึ้นไม่รู้เป็นอะไรออกมานี่เป็นปฏิฆานิมิตเลยเข้าสังคมไม่ได้ต้องสายมันซ่องเสบไปอัธยาสายอันนี้มาตั้งแเล็กๆและเคยเห็นแต่ต้นไม้อะ เห็นแต่โอ้ท้องทุ่งมันโล่งๆอะ่ะที่ไม่ใช่คนอะ่ะเห็นคนแล้วมันเหนื่อยบอกไม่ถูกเลยต้องใส่จากโทสะเจริตอย่างพรองค์ว่าอย่างบอกว่าพวก ร, ราคะเจริตเนี่ยนะจะเป็นทุกข์เมื่อเมื่อเมื่อได้จากคือเมื่อต้องจากกับวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะพวกราคะเจริตเนี่ยจะเสี ย, ยใจมากแต่พวกโทสะเจริตเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เมื่อต้องประสบ เมื่อต้องเจอแล้วมันจะทุกข์ถ้าจากแล้วมันมีความสุขแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปก็เป็นอย่างนี้ถ้าราคาเจรินะ <c oughs> คนน้อยเป็นทุกข์ <c oughs> อย่างนักเรียนในห้องเรานะของมาไม่ได้นึกว่ารังเกียจใครอะไรนะแต่ว่าวันไหนถ้าเห็นนักเรียนมาน้อยๆ น, นะของมามันสมันนัและ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะแอบสศกมานับจังแต่ถ้าคนมามากๆให้เราไม่รู้จะแนะนําอะไรให้เข้าเข้าใจนะยิ่งโอ้ยความคิดหลากหลายด้วยเคยเทศงานกระถินงานท่าป่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นชัดเล ย, ยลําบากใจมากไม่รู้จะพูดอะไรให้เขาฟังนะเขาก็พูดแข่งไม่รู้กี่วงต่อกี่วงเราก็ยิ่งบุญน้อยอยู่ด้วยไปกันใหญ่เลย นะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเอ่อก็อยากจะปารภถึงวันนี้นะวันที่เป็นวันมาฆบูชาถ้าใครที่ระลึกถึงคุณพระตนตรายบ่อยๆนะวันนี้น่าจะเห็นคุณพระตนตรายได้ชัดอย่างหนึ่งคือเป็นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงพระโอวาทปาติโมกนนะนะซึ่งถ้าเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยนะศึกษาพุทธประวัติ นับตั้งแต่ถ้าใช้คำว่าพุทธประวัติเนี่ยเราต้องควรระลึกแต่ตั้งพระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับพุทธพยากรพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนมหากรัปเนี่ยนะซึ่งองค์ประกอบของผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งสี่อสงไข่แสนกรัปนั้นนะจะต้องมีอัธยาศัยหเนี่ยนะมีพุทธธรรมมีอัธยาศัยหมีจริยาสามี ม, มหาบริจาคม แล้วก็มีกุศลอย่างอื่นๆอีกเนี่ยนะแล้วก็มีคุณธรรมอันนี้ให้ทานอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมเหล่านี้รักษาศีลเป็นต้นแล้วทําอย่างต่อเนื่องตลอดสี่อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะก็ได้จนมาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะเป็นพระเวสสันดรก็ทําบุญอีกเ น, นะเกิดในดุสิตพอเกิดในดุสิตเนี่ยจะอยู่ในดุสิตจนสิ้นอายุเนี่ยนะ ก็เป็นกาลสมัยที่ที่พระองค์มีญาณแก่กล้าที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาก็ไปอาราธนาให้ให้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาดูการเป็นต้นเนี่ยนะดูกาละดูทวีปดูอายุมารดาเป็นต้นก็รับอาราธนาแล้วก็ลงมาจุติแล้วก็ปฏิสนธิในครันของพระนางเสด็จมหามายาเนี่ยนะตลอดสิเดือน คงนี้ตรวจดูแล้วว่าอายุแม่ต้อง10เดือนกับอีก7วันวันที่จุตินะตรวจว่าอายุของแม่เหลืออีก10เดือนกับ7วันหมายความว่าพอเกิดในครันปั๊บอยู่ในครันสิบเดือนครบ10เดือนคลอดมาหลังจากนั้น7วันนี่แม่ตายท่านรู้ตั้งแต่อยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วก็ดํารงคาวาะวิสัยเนี่ยนะตลอด29ปีทีนี้ยี่สิปีเนี่ยโดยเฉพาะปีท้ายหลังสุดเนี่ยคือเป็นปีที่เห็นเทวทูตเนี่ยนะ พอเห็นเทวทูตแล้วก็ฟังว่ามีลูกเกิดแล้วเนี่ยจริงพระเจ้าสุโธทนะนะพอได้ข่าวว่าตัวเองมีหลานใช่ไหมหลานทราหุลเนี่ยดีใจมากสัยลูกจะดีใจด้วยนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยน่าจะออกบวตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่ามีหลานเนี่ยดีใจมากนะได้บวงลูกเราแล้วว่างั้นเก็เร่งให้ทหารเนี่ยไปแจ้งลูกให้เร็วที่สุดเนี่ยนะ คครับว่าคิดว่าลูกคงจะเปลี่ยนใจนะจะยินดีในวังอยู่ตลอดจะได้ไม่ต้องบวชต้องอะไรเนี่ยก็เลยรีบส่งข่าวว่าเออมีล้านแล้วนะท่านก็อุทานขึ้นมาเลยนะคือพอฟังปับ๊บก็บอกว่าไอไอความรักเนี่ยนะไม่รู้มาจากไหนมาขวักใช้พอคําได้ยินคำว่ามีลูกปั๊บเนี่ยมันโสมนัสมันรักมากอ่ะ น, นะก็นึกในใจเลยบอกโอ้โหนี่ขนาดลูกคนเดียวนะเราลองยักรักขนาดนี้เลยนี่ถ้ามีแต่เป็นพันเนี่ยนะเราไม่แย่แล้วเนี่ย ทั้งทั้งก็เลยอุทานแต่งออกมาแบบราหูโลครับพูดเป็นเราก็คือบวงเกิดขึ้นแล้วนั่นเองแต่ว่าได้ชื่อกลายเป็นชื่อพระราหุลไปเลย <c oughs> นั่นเอก็คือบวงนั่นเองท่านก็คิดว่าถ้าไม่บวชวันนี้เนี่ยไม่มีโอกาสและก็เลยต้องคิดว่าบวชวันนี้นี่แหละว่า ง, งั้นผมก็ไปทีนี้ก่อนก่อนจะบวชเนี่ยก็เป็นวันที่อาบน้ําแต่งตัวอะไรเป็นอย่างดี <c oughs> มีคนฟ้อนรําให้ดูไปเสร็จเนี่นะเสร็จแล้วก็ ได้ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นได้สังเวกวาทุเนี่ยนะคืออนิจจสัญญาที่อ บ, บรมมาเป็นอย่างดีหรืออสุภาษสัญญาที่เคยอ บ, บรมมาเป็นอย่างดีเห็นมนุษย์พอกับตาช้าพีดิบได้ด้วยอํานาจเมฆขมมะสัญญาคล้ายๆพระพยาศานะพยาศานี่ก็เหมือนกันอดีตชาติเป็นพวกเนี่ยเก็บศพอนาถาไปเผาเนี่ย ทีนี้อกการที่ดูศพเผามากๆก็สะสมไอ้อสุภาษณ์สัญญาอนนี้จะสัญญาเอาไว้มากฉั้นเวลาเห็นคนเนี่ยไอ้สัญญานั้นมันจะเข้ามาเลยฉะนั้นก็มีอัธยาสัยน้องอ่าโอ้โหนี่มันมันหน้าเบื่อนายเนาะมันหน้าวุ่นวายเนาะทีนี้ท่านก็เลยไปดูหน้าลูกสัหน่อยอย่างไรไหนๆก็จะดูหน้าลูกเพราะปกติแล้วท่านถือว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ทุกองคเนี่ยจะต้องเห็นหน้าลูกก่อนแล้วออกบวชอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดา เป็นธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะต้องเห็นหน้าลูกก่อนทีนี้ลูกก็นอนอยู่กับแม่ใช่ไหม จ, จะไปเข้าไปจับลูกไปก่อนลูกก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ตื่นแม่ตื่นนะอดแน่ก็เลยได้เห็นหน้าลูกบอกแล้วบรรลุ ก, ก่อนแล้วค่อยมาไหว้อทีหนึ่งว่างั้นเหรอเขาได้เห็นหน้าลูกท่านก็จากไปเล ย, ยนะแต่เป็นเป็นอัจริยบุรุษเหมือนกันนะไม่เคยคิดถึงลูกเลยตลอดเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยคิดถึงลูกเลย ด้วยด้วยกามาวิตกไอ้ลูกเรามันโตขนาดไหนอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีเลยสําหรับท่านนะก็เป็นอัจฉริยะบุรุษมา ก, ก น, นะซึ่งคนทั่วไปทําไม่ได้อยู่แล้วนะนะไม่รู้คิดวันละกี่ครั้งก็ไม่ทราบนะพ่อทั้งหลายที่ไปทํางานเนี่ยไม่รู้คิดถึงลูกวันละกี่ครั้งยมชายนี่ไม่ต้องกินกระทิงแดงกาแฟแล้วทุกวนะันเนี่ยขับรถแข็งมากยมชายเราเนี่ยนะ ก็มีรูปติดไว้หน้ากระจกรถนะไอมันดูกระจกทีก็น่ารูปทีเงิ้เอ่อพอพระองค์ก็ออกบวชนะพระองค์ก็เสด็จไปที่นะมามาเมืองราชครึกนะเดินทางมาเมืองราชครึกเนี่ยเป็นนักบวชอยู่แถวเมืองราชครึกพอบวชเสร็จก็ไปเรียนไอเนี่ยวิชาทั้งหลายเนี่ยกับอาจารย์รตอาจารย์อุทกดาบทกับอาลาลดาบทเนี่ยก็เรียนอยู่ในในในเขตเมืองราชครึก พอจบแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางพอไม่ใช่ทางท่านก็จากไปพอจากไปเนี่ยก็ไปไปบำเพ็ญทุกขะกิริยาแถวเขาดงคาสิรินเนี่ยนะบริเวณเทือกนั้นอนะ่ะอยู่หปีด้วยกันพอวันก่อนวันวิสาขะเนี่ยนะพระองค์ก็ได้ฉันเข้ามาทุปาญาตอธิษฐานลอยถาดเนี่ยนะแต่คืนนั้นก็มีสุบินนิมิตแล้วใช่ไหมพระองค์ก็ ตกวันวิสาขะเนี่ยนะก็ขึ้นสู่อัปราชิตบัลังเนะรนะจนกับพยามมารเจริญอาณาปานาสติและรสชาติรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพิจรารณาปฏิจจสมุปบาทรุ่งอารุณ์ก็ตรัสรู้อริยสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สวัยวิมุตติสุขเนี่ยนะอยู่บริเวณแถวแถวพุทธคยาเนี่ยเจ็ดเจสัปดาเ์่นะอยู่ครบเจ็สัปดา์นี่ก็ปรารบถึงว่าเอ๊ะ ปรารถที่จะไม่สอนก่อนเนี่ยนะว่าธรรมะที่เราตรัสรู้เนี่ยมันมันยากลึกซึ้งเนี่ยนะส่วนหมูสัตว์เนี่ยคิดตรงกันข้ามหมดเลยกับกับแนวคําสอนอันนี้เนี่ยหมูสัตว์นี่ตรงกันข้ามหมดเลยนั่นก็น้อมที่จะไม่สอนพรหมก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนโลกก็ชีพหายสินันก็เลยพรหมก็มาราธนาให้พระ อ, องค์ตรวจพิจารณาดูเถอะว่าผู้ที่พอจะตรัสรู้มีอยู่นะใช้คําว่าผู้พอที่จะบรรลุเนะี พวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยอมีอยู่ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมปองก็ตรวจดูอา้อาวบุคคลกลุ่มนี้ก็มีอยู่จริงนะซึ่งถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาเสื่อมแน่ปองก็เลยรับที่จะสอนเนี่ยนะปองก็ไปที่โน่นะนะไปที่พารณสีใช่ไหมไปแสดงธรรมแล้วก็จําพรรษาอยู่ที่พารณสีพอออกพรรษาปองก็โปรดยาศากุลบุตรเนี่ยนะแล้วก็จาริกโปรดพัทธยะ กลุ่มพัทยากุลบุตรแล้วก็เสด็จมามาโปรดชดิน3พี่น้องอ น, นะที่วันก่อนเราฟังอธิตตปรยยาสูตร น, นะโปรดชดิน3พี่น้องแล้วก็ชักชวนชดิน3พี่น้องพร้อมทั้งบริวารอ่ะทั้งหนึ่พนั่นแหละเข้าไปในเมืองราชครึก น, นะคือเดจาริกปลนแรงไปในเขตเมืองราชครึกพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัท1นึ่งแก็เข้ามาเฝ้าพผมก็แสดงพระสุะชาดกเรื่องพรมนารธกัสปะชาดกให้ฟัง นะพรอผ์ก็เสด็จเข้าไปหลังจากจบชาดกอผมก็ประกาศอริยสัจพระเจ้าพิมพิสารและบริษัทก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก็พระโสดาบันนั้นเขบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่ห่างพระพุทธเจ้าได้ที่ที่แสดงธรรมที่มาต้อนรับนี่ห่างห่างตัวเมืองราชครึกพอสมควรนะสวนตาลหน่มเนี่ยอยู่ห่างมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่สามารถไปเรียกว่า ไปมาหาสู่ได้บ่อยเพราะฉะนั้นก็นึกถึงเวลวันกัลันทกะนิวาปสถานเนี่ยนะสถานที่พระราชทาน อ, อภัยให้แก่กระแตเนี่ยนะให้เหยื่อแก่กระแตด้วยแล้วก็ห้ามฆ่ากระแตในเขตนี้ด้วยก็ก็เลยคิดถึงไอสวนอันนี้เมืองราชครึกนี่เป็นเมืองที่แปลเหมือนกันนะมีน้ำผู้อยู่ตลอดอะ่ะที่ที่ ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกนะตรงนั้นมีน้ําพุนะครัมาไปนั่งใกล้น้ําพุเลยวนะันนั้นน่ะเขาจางเกสุดาเป็นต้นเขาไปเดินเวียนเทียนกันมาไปนั่งใกล้ๆน้าพุตรงนั้นน่ะมันมีน้ําพุขึ้นนะเนาะไม่อดน้ําเลยนะโอ้ดีจริงๆตรงนั้นเนี่ย น, นะก็ใกล้ๆตรงนั้นก็ตะโพธารามนะก็มีน้ําพุร้อนออกมาอีกแต่ตะโพธารามนี่เสียวนิดหนึ่งว่าไอ้ที่มันร้อนเนี่ยเขาว่าไหลผ่านตะโพธารารคมาเอาไว้เป็นที่ล้างอาบน้ําล้างบาปกัน พระ อ, องค์นี้ก็พอรับวัดเวลุวันเนี่ยก็ประทับอยู่ในวัดเวลุวันพร้อมทั้งพี่สุทั้งหลายทีนี้พวกภาษาฤาษทกับพระโมคคัลลานะก็ก็อยู่ในเมืองราชเครกอยู่แล้วในตอนนั้นก็ไปฟังธรรมจากพระสัชชิใช่ไหมก็บรุเป็นพระโสดาบันไปชิญชวนเพื่อนแล้วก็มาบวชที่วัดพระเวลุวันนี่แหละนนะหลังจากนั้นผ่านไป น, นะ หลังจากที่พระสารีบุตรเนี่ยบวชพระโมคคลลานะ บ, บรรลุเจดวันใช่ไหมหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เจ็ดวันหลังจากที่บวชเจ็วันนี้พระโมคคลลานะบรรลุแล้วพระสารีบุตรนานขนาดไหนกี่วันพระสารีบุตรจึงได้บรรลุสิบห้าวันใช่ไหมประมาณสิบห้าวันพระสารีบุตรก็ฟังธรรมที่ถ้าสุกระขาตาณนะ พระสารีบุรตรก็บรลุเป็นพระอรหรันต์เพราะนั้นเท่ากับว่าพระสารีบุรตรบรรลุเป็นพระอรหันต์วันนี้พระสารีบุรตรบวชก่อนหน้านี้สิบห้าวันนี่นะบวชวันที่เป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาบันก็บวชนี่นะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสิบห้าวันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่ที่ถ้ำสุกระขาตาเพราะพระุทธเจ้าก็เหาะมาที่เวลุวันพระสารีบุตร ท่านก็มาที่เวลูวันเหมือนกั น, นนะก็เกิดการประชุมกันที่เวลูวันเนี่ยพระภิกษุหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปที่เป็นผาา้าหันจริงๆถามว่าผ้าหันในตอนนั้นมีเท่านั้นหรือมีมากกว่านั้นแต่ไม่ได้มาประชุมสันนิบาต ท, ทั้งหมดเช่นกลุ่มพยสะกับสหายไม่ได้มากลุ่มปัญจวัคคีเนี่ยนะถ้าจะมีก็คือพระสชชิอยู่รูปเดียวเนี่ยนะ ก็นับหนึ่งพันสหคือชดินสามพี่น้องกับบริ ว, 1000วรารหนึ่งพันะภาษาบริบทกับพระโมคะลานะและสิทธ์เนะี่ยพันสอห้าสิบหนึ่งพันสองร้ห้าพอดีแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะอาจจะมีขาดบ้างมีเกินบ้างท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถือหรอกนั่นก็เถอะโดยประมาณว่าสองหนะึ่งพันสอยห้าสิบเรคิดว่าพระสชัชชีอาจจะอยู่ด้วยในนั้น ทีนี้พอได้องค์ประชุมเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องสาวกสันนิบาตในลักษณะเนี่ยจะต้องมีกันทุกองค์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นจะมีสาวกสันนิบาตกันหลายครั้งมากสามารถมีสาวกสันนิบาตลักษณะเนี่ยองค์ประชุมแบบเนี้ยหลายครั้งมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรามีอยู่ครั้งเดียวใ น, ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยนะมีเป็นล้านๆน่ะ สามพศานิบาตแต่ของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็พันสอง้อยห้าสิบนี่นะน้อยมากแต่ว่าผู้ที่บรรลุส่วนใหญ่เนี่ยจะบรรลุในเทวดาซะส่วนใหญ่เพราะมาเชื่อว่าเทวดาเขาไม่ค่อยเสี่ยงลงมาเกิดในอายุยุคขยุมนุษย์ยุคอายุน้อยน้อยนะผู้ที่มีบุญทั้งหลายเขาก็ไม่ค่อยลงมากันง่ายๆ่านี่นะพันก็คืออายุมันน้อยเกินไปแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนโน่เนี่ยโดยอายุหลายหมื่นปีนะ มีเป็นหมื่นปีกันซะส่วนใหญ่เลยอย่างพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ร่วมประยุ ป, ประมาณแปดหมื่นปีเนี่ยนะแปดหมืน 8, ปีเจ็ดหมืนปีองคน้อยที่สุดคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยสองหมืนปีผมมาของเราปั๊บลดหวบมาเหลือร้อยปีแต่ถ้าไปเกิดแถวแถวหมื่นปีเราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเกิดช่วงร้อปีก็ดีเหมือนกันเรายังเกิดทันยังยังเกิดใกล้ใกล้มิขสันยียังจะได้ทันศาสนาอยู่บ้างนะก็พอใจเหมือนกันในส่วนนี้นะ พอพระ อ, องค์เนี่ยได้ประชุมสาวกสันิบาตคือสาวกเหล่านั้นมาโดยไม่ได้นัดหมายนนะข้อสองก็นนะทั้งหมดเหล่านั้นบวช ด, ด้วยอวยพิขุุปสัมปทานนะแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเสวยมาฆ่าฤกเนิ่นะมาฆ่าฤกเรียกว่าวันเพนเดือนสามน่นะวันเพนเดือนสามแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาฏิโมก ซึ่งการแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยก็แสดงกับผ้าละหรันเนี่ยนะซึ่งมีแต่ผ้าละหันทั้งนั้นเลยเป็นการสรุปข้อปฏิบัติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกนะเป็นการสรุปข้อปฏิบัติของพระพิสุในพระศระสาสนานี้ว่าหลักการปฏิบัติในพระศาสนานี้เป็นยังไงเนี่ยนะซึ่งความจริงเนี่ยพระพิสุเหล่านั้นท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นทั้งหมดมีแต่ผ้าละหันเนี่ยนะมีแต่ผ้าละหัน์ สังเกตดูข้อความในโอวาทปาติโมกทั้งหมดเน้นมัคคสัตย์อย่างเดียวเนี่ยเน้นธรรมะกลุ่มมัคคสัตย์อย่างเดียวทีนี้โอวาทปาติโมกอย่างเดียวกันที่พระพุทธเจ้าแสดงหลังจากนั้นพระองค์จะแสดงทุกสิบห้าวันเนี่ยนะโอวาทปาติโมกนะไม่ใช่แสดงครั้งเดียวแสดงทุกๆสิบห้าวันหลังจากนั้นมาเขาเรียกว่าโอวาทปาติโมกตอนหลังเนี่ยพอพอมีพระที่เป็นปราชิกอยู่ในหมู่คณะเนี่ย พระ อ, องค์ไ ม, ไม่ไม่แสดงโอวาทปาติโมกเพราะพระ อ, องค์ถือว่าพระ อ, องค์จะไม่แสดงโอวาทปาติโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์พอมีพระปรารชิกเนี่ยที่พระโมคคลลานะชุดมือออกไปเนี่ยนะที่ที่ที่สูตรกล่าวถึงอะ่ะมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับภิกษุชั่วชั้นนั้นเนี่ยนะที่พระโมคคลลานะชุดภิกษุรูปนั้นออกไป หลังจากนั้นพระองค์ก็อนุญาตให้พระภิสูจน์นิสวดอานาปาติโมกคือพิขุปาติโมกแทนแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้แสดงโอวาทปาติโมกซึ่งโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงสมัยพุทธกาลเนี่ยทุกๆสิบห้าวันทีนี้ไอโอวาทปาติโมกอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยระยะเวลาในการแสดงแตกต่างกันในโอวาทปาติโมกเนี่ยนะซึ่งอย่าง พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยพระองค์จะแสดงโอวาทปาติโมกทุกทุกเจ็ดปีนะเจ็ปีหนึ่งครั้งเจปีหนึ่งครั้งถามว่าทำไมตั้งทางขนาดนั้นท่านบอกว่ า, าพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้กระทำอโบสถในทุกๆุเจ็ปีเพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้ววันหนึ่งเท่านั้นอะ่ะพอเป็นไปได้เจปีคือหมายความว่าเตือนครั้งเดียวอะ่ะคิดระลึกได้ทบทวนตลอดเจปีได้นะ อย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าเว ส, สิคีกับเว ส, สภูเนี่ยทุกๆ6กปีเพราะว่าในระยะหนึ่งครั้งเนี่ยตลอด6ปีน่ะพระภิกษุะจะพอจําได้นะทบทวนกันได้บ่อยพระพุทธเจ้ากากุสันท่กับพระพุทธเจ้าโกนาคามณะนี้ทุกๆปีเนี่ยทุกๆปีเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยภิกษุเรานั้นก็พอระลึกระลึกถึงโอวาทที่พระพุทธเจ้าให้ได้สองปีไอ้ทุกปีเลย ตลอดหนึ่งปีเนี่ยระ ล, ลึกทวนได้ตลอดเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเราเนี่ยพระองค์จะแสดงทุกๆ6เดือนเนี่ยนะส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ประทานทุกสิบห้าวันเนี่ยนะแสดงว่ามันพอได้พอแค่สิหวันเนี่ยนะนึกได้หลังจากนั้นไม่ได้เดี๋ยวลืมหมดนะเรเตือนทุกสิบห้าวันอย่า ง, ง น, นั้นแต่ซึ่งโอวาตปาติโมกของพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยจะแสดงเหมือนกันหมดเลย ที่โอวัตปาติโมกันน ะ, ะเน้นมัคคสัตนะเน้นมัคคสัตซึ่งไม่เน้นกับทุกขสัตสมุทัยสัตนิโรสัตว์เพราะว่าเน้นข้อปฏิบัติเลยเพราะถืออยู่แล้วว่าทุกขสัตทุกคนนี่มีปัญหาคือมีภัยเหมือนกันหมด น, นะนะชาติภัยชราภัยพญาทิภัยมรณะภัยโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปา ย, ยาตภัยเนี่ยพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทีนี้ภัยเหล่านี้ทั้งหมดนี่เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสทีนี้ถ้าเมื่อกิเลสอย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างไรจรียงจกัก สิ้นกิเลสเนี่ยนะขันคาถาแรกในโอวาทปาติโมกกล่าวว่าสัพปาปัสสะาการณังกุสละโซปสัมปทานเนะสัจจิตะประโยชนาปานังเอตังพุทังนัสาสนังเนี่ยนะสัพปะาปาัสสะาการนังเนี่ยคืออธิศีลสิกขาทั้งหมดเลยเห็นไคำเดียวนะสัพปาปัสสะาการณังการไม่ทำอกุศลทั้งปวงเนี่ยนะหมายถึง อ, อธิศีลสิกขาซึ่งถ้าอาธิศีลสิกขาเกิดขึ้นอกุศลจิตทั้ง12ไม่มี นะเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ทําบาปทั้งปวงแปลว่าห้ามอากุศลได้ทุกชนิดนะกุศลสูปะสัมปทาท่านบอกว่าการยังกุศลให้เจริญขึ้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงอรหัตตมักอรหัตตมักเนี่ยนะนะและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญชื่อว่าโอปะสัมปทานะนะกุศลสูปะสัมปทาเนะี่ยเระฉะั้นกุศลสูปะสัมปทาอันนี้หมายถึงอธิจิตตสิกขา นะถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรคเน้นว่าอาธิจิตติศขาด้วยคำว่ากุสลโสประสัมปธาส่วนสจัจจตปรโยธปนังนะแปลว่าทำจิตของตนให้ขาวรอบนะสะอาดรอบอันนี้หมายถึงอธิปัญญาศขานี่อธิปัญญาศขานี่ระดับไหนสจัจจตปรโยธปนังนี่เอาอารหัตผลเลยนะต้องชำระจิตให้ได้ระดับอรหัตผล เพรันในการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบก็คือประกาศไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาอันนี้หมายถึงขนาดไหนอะจึงจะเป็นการปฏิบัติแบบนี้จริงๆก็นู่นแหละระดับมักผลนิพพานะนะอันนี้เอ า, เอ า, เอาระดับมัชผลอะเอาแบบสูงสุดเลยแต่ถ้าเอาแบบเบื้องล่างหน่อยก็คือเนี่ยสัพาปาปะสะาการณังก็คืออธิศีลสิกขาส กุสลสูปสัมปทานเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอธิจิตตศิกขาส่วนสั จ, จิตตประโยชน ป, ปนังอันนี้ก็เป็นอธิปัญญาศิกขาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็คือประกาศอะไรประกาศตรีศิขานีนะไม่ว่าองค์ไหนอ่ะนะใช้คำว่าเอตังพุทธานะศาสนังพระพุทธเจ้าทั้งปวงสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด น, นะมีหลักการเหมือนกัน ทีนี้ต้องการจะขยายรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วว่าคันตีประมังตโปตีติขานิพพานังประมังวทันติพุทธานะหิปปะปิชโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโออนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญญุตาจะพัตสมมงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโคเอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะ อันนี้ก็ประกาศถึงข้อปฏิบัติแบบขยายเพิ่มเติมว่า น, นความอดทนเนี่ยความอดทนก็คือความอดกลั้นอ่ะนะเป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งเ น, นี่ยนะเพราะฉะนั้นคือถือว่าเป็นตะบะตะบะคือเครื่องกำจัดบาปอกุศลเนี่ยน ะ, ะขันติเนี่ยดีกว่าเพื่อนมั น, นก็เป็นจริงอ่ะนะถ้าอย่างถ้าถ้าเรากล่าวตามลำดับไตรสิกขาซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ ถ้าไม่มีขันติสัอย่างเดียวเนี่ยเจริญไปไม่รอดอยู่แล้วอธิศินนะถ้าไม่มีขันติรักษาศินไม่ได้เจริญสมถาวิปัสนาถ้าไม่มีขันติเจริญต่อไปไม่ได้แต่สำนวนว่าใจร้อนไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําอดน้ําทนเนี่ยนะอันอโทสะนี่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญมากนะอนโทสะเนี่ยฉันถือว่าไอขันติองค์ทําได้แก่อโทสะเนี่ยันถือว่าเป็นเป็นตบะเป็นเครื่องเผาบาปประธรมเป็นอย่างยิ่ง ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมะนะคือไอ้ตรงนี้ที่ใช้คำว่านิพพานังประมังเนี่ยนะนิพพานนิพพานเนี่ยประมังประมังก็คือประมะนะนะประมะก็คือถ้าใช้คำว่าอัตฐะบวกเข้ามาก็เป็นประมะถนะก็นิพพานเนี่ยเป็นประมังยอดเยี่ยมที่สุดถ้าเพิ่มอีกศาสหนึ่งก็คือนิพพานนี่เป็นประมะที่สูงสุดว่างั้นนะ แล้วก็พระนิพพานนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่สูงสุดเนี่ยสูงที่ไหนสูงในความสงบประงับจากสังขารทั้งมวลเนี่ยนะคือเป็นธรรมชาติอันสูงสุดก็ได้และอีกคำหนึ่งว่านะหิปปะปชิตโตปรูปคาทีสมโนโหติปังวิเหทยันโตอันนี้พูดถึงบรรปชิตเลยว่า ผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนี่นะอธิบายว่าบุคคลผู้ที่ล้างผลาญบีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ด้วยเครื่องประหารต่างๆมีฝา่ามือเป็นต้นชื่อว่าผู้ทำร้ายผู้อื่นนี้ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตบรรปะชิตโดยศั์แปลว่าผู้เว้นรอบเนี่ยนะเว้นจากบาปเมื่อไปทำบาปอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นบรรปะชิตได้ยังไงเนี่ยนะแปลว่าไม่เป็นบรรปะชิตโดยคุณธรรมละ เพราะฉะนั้นผู้ที่ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่เนี่ยนะหรือผู้ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่เนะี่ยนะพวกนี้ก็ไม่ชื่อว่าสั ม, มณะเพราะอะไรเพราะผู้ที่ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่เนี่ยเป็นสั ม, มณะไม่ได้โดยคุณธรรมนันเะ